นี้ได้มีโอกาสมาใหา้พุทธพจนะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นพุทธพจนะที่เกี่ยวกับการดับทุกขนะ์ในชีวิตประจำวันนี้อย่างหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือพระองค์ให้ตั้งจิตไว้อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายคตาสติ เวลาเรามีความทุกข์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเราคือกายยกตาสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่กายความทุกข์ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่า ตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยัขยแยงลิ้นกาย ใจก็เช่นเดียวกันใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยังเราจึงรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตตาสติพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขืนเสาหลักอย่างดีของจิตให้เธอเอาจิต มาตั้งไว้กับกายการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั้นทําอย่างไรได้บ้างคือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราที่เรียกว่าอาณาปานสติหรือการเอาจิตมารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของกายที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติ การดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวรีบทนั้นมีความรู้ตัวรอบข้อปดนี่เรียกว่าเป็นกายคตาสติอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหรือการตั้งไว้ซึ่งกายคัตาสติด้วยจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติที่ตรัสไว้กับพระอานุ์ว่าให้เธอเนี่ย มีใจรู้อยู่กับงาน <c oughs> ที่ทำในปัจจุบันจิตอธิษฐานการงานสามอย่างนี้ล้วนเป็นกายยกตาสติทั้งสิน้นจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้แค่เราเอาจิตมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าเธอนั้นกำลังเจริญกายานุปัสนาสติปฐานเธอกำลังตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตนะิเธอกำลังเพียรเผากิเลส เธอกำลังมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้ <c oughs> ขณะนั้นเราเพียรเผากิเลธเล่าปฏิบัติตามโอวาททาตามคำสอนของพระาศาสดาแล้ว <c oughs> อย่างที่พระองค์ตรัสกับพิษุทั้งหลายว่า <c oughs> บอกถ้าพิสุจเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้ เวลาสั Na, ้นๆแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีขนาดแค่ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียว พระองค์ก็เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานแล้วทำตามคำสอนของพระศาสดาแล้วทำตามโอวาทแล้วการเจริญอานาปานสติเป็นมรรควิธีที่แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระสมณะโคดมพระตถาคตของเราก็ยังใช้พระองค์ตรัสว่าเมื่อครั้งก่อน แต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกพิสูจน์ทั้งหลายถ้าหากเธอต้องการให้ตาไม่ลำบากกายไม่ลำบาก และจิตก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซาอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยสรนเสริญอานาปานสติค่อนข้างมากสรนเสริญกายยคตาสติและตัดว่ากายยคตาสตินี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต <c oughs> ที่พระองค์เปรียบว่า เตาหดอวัยวะไวในกระดองชันใดภิกษุพึงตั้งมนโนวิตกไว้ในกระดองคือลมการภาวนาชันนั้นมานคือความตายมานผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เราต้องการเอาชนะความตายให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเราอย่าทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆการทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆนั้นเรียกว่าเราไม่สารวมอินทรีย์ ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทคำสุดท้ายที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนปเรณิพานก็คืออย่าประมาทเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทพระธถาคตบอกว่าสำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์แล้ว ถ้าเราไม่สํารวมมินทรีย์จิตย่อมเกลือกลั้วในรูปอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุเมื่อจิตเข้าไปเกลือกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีนะสุขก็ไม่มีนะเมื่อสุขไม่มีนะจิตก็ไม่ตั้งมั่นนะเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ เมื่อทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่าประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอกไม่สัมรวมจิตอยู่กับกายของเราถ้าเราสัมรวมจิตอยู่กับกายของเราแล้วไม่ว่าอารมณ์อะไรก็เข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าขณะที่เรา สำรวมจิตยอยู่กับกายเรียกว่า <c oughs> เธอนั้นนะ่ะนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วและเธอนั้นกำลังได้ซึ่งอมตะธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายยัตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะผู้ใดส่องเสพให้มากซึ่งกายยัตาสติผู้นั้นชื่อว่าส่องเสพอมตะธรรม กายยคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วถ้าโยมลืมกายยคตาสติโยมก็ลืมอมตะธรรมเหมือนกัน <c oughs> กายยคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าโยมเบื่อในการตั้งจิตอยู่กับกายนั่นก็แสดงว่าโยมเบื่ออมตะเหมือนกัน อมตะคือความไม่ตายอมตะคือวิมุตตอมตะคือนิพพานเป็นชื่อแทนวิมุตต์หรือนิพพานนะชื่อแทนวิมุตต์หรือนิพพานมีหลายชื่อนิโรดก็เป็นชื่อแทนนิพพานอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอมตะคือความไม่ตายก็เป็นชื่อแทนนิพพานวิมุตต์ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายเอาชนะความตายได้นะก็ให้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะพระองค์ยังเปรียบกายคตาสติด้วยหม้อน้ามัน <c oughs> บอกมีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามมาขับร้องฟ้อนราอยู่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปนะชายหนุ่มทั้งหลายนะ ก็มีความต้องการดูด้วยหญิงงามที่กำลังขับร้องฟอนด์ลำก็เดินทางมาดูกันมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูด้วยพระองค์บอกว่าให้ชายหนุ่มคนนี้ถือหม้อน้ามันที่มีน้ามันเต็มเปี่ยมปากหม้อเดินมาด้วยเดินถือมาด้วยขณะเดียวกันก็มีชายอีกคนหนึ่งถือดาบอันคมกริบมาข้างหลังเหมือนกันและบอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ ที่ถือหม้อน้ํามันที่เดินถือมานี้ทําน้ํามันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบเนี่ยฟันคอให้ขาดพระองค์จึงถามสาวกว่าชายคนที่ถือหม้อน้ํามันนี้ขณะที่เดินมาจะสนใจหญิงงามที่กําลังขับล้องฟอนลาหรือสนใจหม้อน้ํามันที่ตนเองถืออยู่สาวกวาก็ตอบว่า ต้องสนใจหม้อน้มันแน่นอนนะเพราะถ้าทำหกแม้เพียงหนึ่งหยดคอจะขาดออกจาก่าตายแน่นอน <c oughs> พระองค์จึงบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบหม้อน้ามันด้วยกายยคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งไว้อยู่กับกายจิตหลุดจากกายนั่นคือตายแล้วนะความตายจะเข้ามาเยือนเธอทันที ดูแล้วพระตถ า, าคตให้ความสำคัญของการตั้งจิตไว้ในกายสูงมากไม่ว่าพระสูตรใดก็จะเน้นลงที่กายยะคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถ้าเราทำงานก็ให้รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถล้างถ้วยล้างจานรู้การล้างถ้วยล้างจานการเดินรู้เดินยืนรู้ยืนนั่งรู้นั่ ง, น, งนอนรู้นอน การที่เรามีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ในกาย น, นั่นแหละเราจะเอา <c oughs> ตัวรอดจากความตายได้เพราะอะไรเพราะเรากําลังละชาติคือการเกิดของจิตโดยให้จิตเนี่ยมาเกิดอยู่ในกายที่เดียวก่อนจริงๆชาติคือการเกิดต้องละทุกขณาจิตแต่นี้เป็นลําดับขั้นในการละขันธ์ทั้ง5ต้องละทั้งหมดจิต หรือวิญญาณขันจะวนไปในขันทั้งสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่อย่างนีน้หน้าที่ของเราคือเอาจิตวิญญาณหรือมโนใจอันเดียวกั น, นมีสามชื่อนี่เอาวิญญาณขันหรือจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายแล้วให้ละนันทิคือความเปลิน ในสามขันธ์ที่เหลือนะจิตไปเกาะสัญญาความจำได้หมายรู้ไปเกาะสังขารความปรุงแต่งไปเกาะวิญญาณความไปเกาะเวทนาคือสุขทุกขเบทนาให้ละให้ทิง้งให้ไหวที่สุดแล้วกลับมาตั้งจิตไว้ที่กายยคตาสติ <c oughs> ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแค่นี้จะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะ สติการระลึกได้กลับมาที่กายสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้สติเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเคลื่อนออกจากกายออกไปรับรู้อารมณ์ใดนะเราจะรู้ตัวทันทีนะนั่นคือเรากําลังละการเกิดของจิตในอีกสามขันนะพระเจ้าบอกพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุ์อะไรเป็นเหตุของ ชรลาและมอรณนะพระนลบอกว่าชาติคือการเกิดถามอานน์ว่าอานน์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงความแก่และความตายจะมีมาได้ไหมพระนลบอกว่าไม่ได้เพราะเราไปดับที่เหตุแก้วใบนี้นะแตกได้เพราะว่ามันมีการเกิดมาแล้ว ถ้าไม่ต้องการให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกแน่นอนถ้ามีคนจะมีคนตายมีสัตว์จะมีสัตว์ตายมีอะไรขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาจะมีตัวตนแตกสลายมีตัวตนเสื่อมมีตัวตนแตกสลายพังหายไปมีจิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามก็จะมีจิตที่เสื่อมและเดินไปสู่ความแตกสลายเพราะฉะนั้น พัญญาโกณัญญาที่ท่านบรรลุธรมท่านก็เห็นสัจจะตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่ความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองนะชัดเจนในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนในการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วจะมีการดับแน่นอน และนี้ยังเป็นกฎแห่งสังขต ธ, ธรรมคืออุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏระบบโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีการเกิดปรากฏสองวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏสามทิฏสะอัญญาตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนั่นเอง <c oughs> นี่จึงเป็น ประเด็นสำคัญและเป็นลำดับขั้นตอนในการละในการดับสาเหตุที่นำไปสู่ความแก่และความตายคือการเกิดดับการเกิดของจิตที่จิตเข้าไปเกิดในอารมณ์คือสัญญาสังขารเวทนาสามอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วดับให้ไหวที่สุดซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสมาธิภาวนาสีประเภท ในประเภทที่3พระตถ า, าคตบอกว่าสัญญานะเวทนาวิตกเกิดขึ้นมาให้เธอละทิ้งให้ไหวที่สุดในพระาศาสดาชมไวเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบลุดดิดนิ้วบลุดดิดนิ้วทีเดียวอารมณ์นั้นต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นโยมคิดอดีตมาปับ๊บดิดนิ้วทีเดียวหรือกระพริบตาเดียวต้องดับไป คิดปรุงแต่งไปในอนาคตกระพิบตาเดียวต้องดับไปเกิดความโกรธขึ้นมากระพิบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความโกรธเอาไว้ดีใจขึ้นมากระพิบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความดีใจเอาไว้ <c oughs> ทรงอุเบกข า, าไว้หรือทรงจิตให้อยู่กับกายขันคือรูปประขันกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้เอาจิตนะระลึกได้กลับมาที่กาย อย่าให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตหรือว่าสุขทุกข์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากมการตั้งจิตอยู่กับกายให้มากเป็นเหตุให้เราละความเพลินหรือละการเกิดของจิตในอารมณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเหลือการเกิดหนะ้าที่เดียวก็คือในกายนี้ หรือความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉยเฉยและตรงนี้คือจุดที่เราจะละครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งสุดท้ายนั้นกายแตกสลายกายแตกทําลายไปจิตเราพระองค์บอกว่าไม่ให้ไปเกาะกับอะไรทั้งสิ้ น, นจิตเมื่อไม่มีกายเกาะ จะไปเกาะ อ, อารมณ์อื่นเราก็ทิ้งมาจนชำนาญทั้งชีวิตแล้วเมื่อจิตนะที่เกาะกับกายอยู่แล้วกายแตกสลายทําลายไปจิตก็หาที่ตั้งอาศัยหาที่เกาะไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นะไม่มีอารมณ์ให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีกำลังของสติปัญญามากพอ เร็วพอไวพอที่จะทิ้งอารมณ์อันนั้นอย่างรวดเร็วดับการเกิดอย่างรวดเร็วพระองค์จึงชมผู้ที่ดับการเกิดได้รวดเร็วดุดกระพิบตาว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่ทรงตัดว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุจน์นั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิตาของคนส่วนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีภาวนาชั้นเลิศในอาริยวินัยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่โยมในการภาวนานก็คือละความเพลินหรือละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้เร็วให้ไวนะจิตกำลังเพลินไปกับอารมณ์ นึกถึงกายทันทีเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอาจิตกลับมาอยู่ที่การทำงานในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่อาตมาได้บอกญาติโยมมา <c oughs> ตั้งแต่แรกจนกระทั่งเวลานี้มีแต่พุทธวจนะที่ตัดเกี่ยวกับกายยักตาสติทั้งสิน้น จะเห็นว่ามีหลายพสูตรมากและยังมีอีกหลายพสูตรที่เกี่ยวกับกายคตาสตินั่นคือพระเจ้าให้น้ําหนักเน้นลงไปที่การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมากนะและสรรเสริญไม่มากด้วยพระองค์เปรียบอุปมาอีกหลายอย่างเนะปรียบอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง จับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงนะจับมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพอปล่อยไปปับ๊บไอสัตว์ทั้งหชนิดก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่า นะลิงก็จะไปป่านะนั้นเมื่อมันยื้อยุดฉุดกันไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็มานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์จึงบอกว่าชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายนะกายนี้จึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดจิตของเธอก็จะมาสงบอยู่ที่กายคตาสตินี้ นั่นก็คือการสํารวมอินทรีย์นั่นเองสํารวมใจให้ตั้งไว้อยู่กับกายของเรากายนี้อาศัยเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้ น, นเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกายโดยปกติจิต <c oughs> จะไม่อยู่นิ่งจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานี่พระองค์ได้จรัสไว้อย่างนี้ ให้เห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะจิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอดมันจะแสดง <c oughs> อาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไปเมื่อดับจากกายไปปั๊บเนี่ยจิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่นะผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้ ถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกายจึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นี่พระองค์เรียกว่า การมากาันไปนะการมาไปมีได้เพราะอะไรเพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านติคือความน้อมไป <c oughs> พระองค์จึงตรัสว่านาตยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มี <c oughs> การมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมากันไป อคติคติยาอสติจุตูปปาโตโนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายนะการตายและการเกิดจะไม่มีจุติกับอุ ป, ปาตะจุติกับอุบัตตายและเกิดจะไม่มีถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุก ทำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้โดยไม่ให้มีการมากันไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายได้ <c oughs> พระองค์บอกว่า <c oughs> เมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้ว <c oughs> ให้เธออาศัยวิเวก วิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายไปอาศัยนิโรธความดับจิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลายแล้วนิโรธคือดับไปน้อมไปเพื่อโพวสักคะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นะอันน้อมไปเพื่อโวสักคะคือการสละลงคือการปล่อยวางนะในจังหวะที่จิต <c oughs> แสดงสัจจะความจริงของมันคือการจางคลายและดับไปนั้นให้เราสังเกตให้ทันไวให้ทันนะมีสติให้ทันขณะที่มันดับไปก่อนที่จิตดวงใหม่จะเกิดขึ้น ให้เธอปล่อยวางเลยได้ไหมคือโวศกขขะปล่อยวางไม่อยากได้จิตไม่อยากได้วิญญาณขันไม่อยากรู้วิญญาณดวงใหม่ไม่อยากยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไม่อยากมีผู้รู้ต่อไปนั่นก็คือเราไม่ยึดวิญญาณนั่นเองเราไม่อยากได้วิญญาณมาเป็นตัวเราของเราเพราะองค์บอกว่าจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะ นั่นนี่คือที่พระองค์ได้อธิบายขั้นตอนจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเพราะอาศัยจังหวะนีนะ้เพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่นะเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เมื่อดับไปแล้วไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่จิตจึงดำรงอยู่นะเพราะนั้น แสดงถึงความมีอยู่ของจิตที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยูนะ่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจริงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจริงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุ n g ย่อมปะลรีนิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วการที่จิตจะไปเกิดไปยึดอะไรเป็นการเกิดขึ้นมาสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติความบริสุทธิ์ทางกายวาจาจิตจบแล้วนะกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนะไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วถ้าเราละการเกิดของจิตได้นะจนกระทั่งจิตไม่มีการมาไม่มีการไปและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย หลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันทั้งห้าไม่ยึดถือขันทั้งห้าเป็นตัวเราของเรานั้นตรงนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายฝึก <c oughs> ตั้งจิตของเราไว้ในกายของเรานี่แหละไม่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์อะไรเอาจิตตั้งอยู่กับกายเอาจิตตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเอาจิตตั้งไว้อยู่กับการงานที่ทําในปัจจุบัน นี่คือพุทธวจนะที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขสงบในปัจจุบันแล้วนะวุ่นวายกับเรื่องใดๆนะอารมณ์ใดๆก็ตามนะถ้าต้องการความสงบของจิตก็ดึงจิตกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้พนะระองค์บอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว เม ja ื่อเธอหายใจออกยาวก็รู mind, aw, ้ว่าหายใจออกยาวเมื Hay ่อเธอหายใจเข้า e สั <Y aw. S 1> lands, ้นก e ็รู lands, revision, ้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อเธอหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นพึงทําการศึกษาว่าเราเป็นผู้มีความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทําการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกใหเรารู้ว่า ให้เราทำกายสังขารให้สงบประงับหายใจเข้าทำกายสังขารให้สงบประมับหายใจออกเพราะฉะนั้นทุกขณะแห่งการหายใจเข้าและหายใจออกนั้นให้เรารู้ถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกมันจะยาวก็ปล่อยยาวมันจะสั้นก็ปล่อยสั้นถ้ามันยาวไม่ต้องทำให้สั้นถ้ามันสั้นไม่ต้องทำให้ยาวคือไม่ต้องไปบังคับอะไรลมปล่อยลมเป็นธรรมชาติ แค่เอาใจมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเท่านั้ น, นทำแค่นี้ถ้าจิตหลุดจากลมหายใจไปพระองค์ให้รู้ตัวให้ไหวแล้วตั้งจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมที่พระองค์ตัดว่าให้เธอนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในอะไรในลมหายใจหรือที่พระองค์ตัดว่ากายยักาตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมแล้ว ยาหลงลืมลมหายใจยาหลงลืมกายของตนเองแค่นั้นเองนะเพราะนั้นให้เราทั้งหลายเนี่ย <c oughs> พยายามตั้งจิตอยู่กับกายให้มากนะเอาจิตอยู่กับกายให้มากนะแค่นี้ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ต่างๆความหดหู่ใจความเศร้าใจความเสียใจนะอารมณ์ทุกอย่างจะดับไป อีกอย่างหนึง่งพระองค์ตรัสว่าปาระโตโคโสโยนิสโสมนสิการ》การฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นนั้นนะให้เรากระทำในใจให้แยบขายด้วยให้เราน้อมใจเพื่อหเห็นตามที่เป็นจริงด้วยคือมีโยนิสโสมนสิการด้วยสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นแต่ถ้าฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นแล้ว ฟังสื่อต่างๆแล้ว <c oughs> ไม่โยนิสโสมนสิการคืออโยนิสโสมนสิการเราจะเกิดพิชชาทิฏฐิขึ้นนะหรือที่พระองค์ตัดไว้กับพารัตวาชาที่ทูลถามพระตถาคตว่าอะไรเป็นการตามรักษาไว้ซึ่งความจรงิงความจริงจะถูกรักษาไว้ได้อย่างไรพระองค์บอกว่าด้วยการคิดสั้นๆแค่นี้นะว่า อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไ ม, ไม่แ น, น่สิ่งที่รู้มาที่ได้ยินมานที่เห็นมาอย่าคิดว่าที่เห็นมาได้ยินมาที่รู้มาเท่านั้นนะจริงอย่างอื่นไม่ใช่ไม่แน่วางไว้เป็นกลางกลางก่อนเราก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นในความเห็นแบบใดแบบหนึ่งที่ผัสสายญาตนะทั้งหลายหกประการรับรู้ขึ้นมา ด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษ า, าไว้ <c oughs> สื่อต่างๆที่ออกไปอาตมายังคิดว่าเราเนี่ยนะมีการทำป้ายเตือนนะในซองบุหรี่ก็ตามในขวดเหล้าก็ตามว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพสื่อต่างๆที่ออกทางวิทยุทีวีหรืออะไรก็ตามทำไมไม่เอาพุทธวจนะ คำสั้นๆแค่นี้เองแปะเข้าไปด้วยอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะคำพระศ า, ศาสดาเราเองแปะเข้าไว้หน่อยเดียวเป็นการเตือนผู้เสพสื่อทั้งหลายว่าอย่าคิดว่าที่เห็นนั้นจริงที่ได้ยินนั้นจริงนะแม้แต่คาอัตมาที่พูดไปพระองค์บอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนำคานั้นนะกาหนดเนื้อความทรงจาคาพูดของเขาให้ดี แล้วเอาไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นของพระตถาคตสก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาผิดแสดงว่าอาตมาจำมาผิดอาตมาพูดผิดให้เธอทำอย่างไรละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียละทิ้งคำพูดอาตมาไปทรงจาคาพูดของพระตถาคตผู้ดเดียว พระองค์เน้นเรื่องนี้มาก <c oughs> บอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุตตันตะคือคําสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนคําศาสดาเธอต้องฟังต้องใส่ใจศึกษา แต่คําสาวกคําที่คนแต่งขึ้นใหมายนั้นนะเธออย่าฟังอย่าศึกษาเพราะฉะนั้นใครก็ตามพูดอะไรมาอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะเอาไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยที่พระศาสดาบัญญัติไปก่อนนะถ้าตรงกันก็ทรงจำธรรมนั้นได้ถ้าไม่ตรงเข้ากันไม่ได้ไม่สอดรับกันก็ให้พึงลงสันนิษฐานเถิดว่านั่นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปนั้น ทรงจำมาผิดให้เธอทำอย่างไรละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนี่คือหลักมหาประเทศสี่ที่พระองค์วางเอาไว้เพื่อป้องกันความเสื่อมสูญความผิดเพี้ยนในคำของพระาศาสดาเมื่อต่างคนต่างอ้างว่าฉันก็คำพระาศาสดานะอาตมาก็คำพระาศาสดาของโยมก็บอกว่าโยมคำพระาศาสดาเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างอ้างว่าคำพระาศาสดามีหลักตรวจสอบอย่างไร หลักดังที่กล่าวมาเอาไปเทียบเคยียงในหลักธรรมหลักวินัยที่พระตถาคตได้จัดเอาไว้แล้วเพราะว่าคําของพระตถาคตนั้นไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันได้ทั้งหมดทั้งชีวิตผู้เจ้าตรัสกับอคิเวสนะว่าอาคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนั้นย่อมตั้งจิตไวในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้นะ ให้เป็นจิตที่ดํารงอยู่ให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่เพราะฉะนั้นพระตถาคตเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวซึ่งไม่มีสาวกคนใดทําไ ด, ได้เพราะฉะนั้นสาวกมีหน้าที่ทรงจําคําพระาศาสดาของเราให้แม่นแล้วถ่ายทอดออกไปตรงๆนะพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนับแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรสัสรู้ จนกระทั่งลาตรีที่ตถาคตปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยเพราะฉะนั้นคำพระศาสดาไม่มีการขัดแย้งกันถ้าโยมยินยันว่าคำของโยมคือคาพระศาสดาอาตมาก็ยืนยันว่าคาของอาตมาคือคาพระศาสดาตรวจแก้ได้ด้วยวิธีนี้ และไม่ว่าใครก็ตามถ้าต่างยืนยันว่านั่นคือคาพระศะัสดาตรวจแก้ได้ด้วยวิธีนี้นั่นคือเรามีมาตรฐานคือพุทธวจนะเป็นมาตรฐานพุทธวจนะคือธรรมและวินัยที่ออกจากปากของพระตถาคตเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้องความผิดพลาดคาดเคลื่อนตรวจที่ตรงนี้อย่างที่ตัดไว้กับพระนลว่ า, อ, านอน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า พวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอานนท์เธออยาคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานะทำวินยัยพุทธวจนะคือธรรมะและวินยัยที่ออกจากปากพระาศาสดาจะเป็นมาตรฐานในการวัดสอบว่าอะไรคือความถูกต้องและนี้เปรียบเสมือนแผนที่ที่ถูกต้อง ลายแทงที่ถูกต้องโยมไม่มีหน้าที่ปฏิเสธคำพระศาสดาเพราะนี่คือวิชาหรือความรู้อันจะนำพาเราไปสู่ความไม่ตายเอาชนะความตายได้ถ้าโยมปฏิเสธคำพระศาสดาโยมเอาชนะความตายไม่ได้เราไม่มีหน้าที่บอกว่าคำพระพุทธเจ้ายากเรามีหน้าที่ทำยังไงจะเข้าใจคำพระศาสดาให้ได้ถ้าสงสัยพระตถาคตบอกว่า ให้เข้าไปถ่ายถามทวนถามแก่ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยว่าให้เข้าไปซักไซไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสยัยให้คลายลงไปได้นะนี่ก็คือพุทธวจนะทั้งหมดนะที่บอกไว้ให้ กับพุทธบริษัททั้งหลายแล้วอาตมาก็นําเอามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังอีกทีนะจะเหมือนกับว่าเราได้ฟังต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงนะแล้วอันนี้แหละถ้าเรานําไปปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์พ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะในโอกาสนี้อาตมาก็ขอจบธรรมบรรยายเพียงเท่านี้